ท่านที่ครบคระท่านฟังรายการสรรัสนนิษฐานาอยู่ทางสถานาีวิทยุเอครอบครัวข่าวคะ่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับเชิญจากน้องสาวคนหนึ่งเขาเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์อยู่ที่ช่อง5ชื่อคุณอนัญญาเที่ยงแท้บอกว่าให้ช่วยมาเป็นเกียรติในการเปิดหนังสือของเขาที่ชื่อการเดินทางที่ว่างเปล่าเป็นหนังสือที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้อง การเดินทางที่ว่างเปล่านะคะโดยเปิดไปที่ห้องสมุดของท่านเพื่อธาตุแล้วก็บอกว่าไรายได้จากการอุดหนุนหนังสือเล่ม น, นี้จะถวายเพื่อเป็นทุนให้กับสามเณรในถิ่นพระกันดารใช้ในการเรียนหนังสือกับถวายให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ขออนุโมทนาด้วยก็แล้วกันนะคะทีฉันขอที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทางรายการนี้แทนการที่จะเดินทางไปร่วมค่ะ ส่วนตอนนี้เราก็ไปพบกับพระอาจารย์เพบูร์อภิปุณโนจากวัดปรดารหไยสุอุดรธานีกันนะคะในช่วงเวลาที่เราจะเชิญท่านทั้งหลายมารู้จักพระพุทธเจ้าของเราให้มากยิ่งขึ้นในโอกาสเราร่วมเฉลิมฉลอง 2,600 ปีแห่งการเกิดมีของพระพุทธเจ้าหรือว่าปีพุทธชยันตินมสกรรมกับท่านคะเชิญพานเมื่อวานนี้ท่านเล่าค้างอยู่นะคะในเรื่องสำคัญ <laughs> ความแตกต่างระหว่างความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะท่านบอกมีหลายข้ออ่าใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอรหันต์นะคือเป็นพระอาหารหันต์ละแล้วก็เป็นสัมมาสัมพุทธะด้วยค่ะนะคุณนะเขาเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากเช่นมาเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้รู้แจ้งโลกนี่คือรู้หมดโลกเลยน ะ, ะมันไม่ใช่รู้ธรรมดาธรรมดานะ รู้หมดโลกนี่ไม่ใช่รู้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงคือเราอาจจะคือรอบรู้หมดพระอรหันต์เนี่ยยังไม่รู้เท่านั้นพระธรรมดานธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นผู้ปริปัญญาพิมุติเนี่ยจะมีความสามารถจํากัดในการรู้อดีตรู้อนาคตแต่ว่าปุริชาเนี่ยรู้หมดจริงจริงรู้เท่าไหร่ก็รู้ได้ต้องการจะรู้เท่าไหร่ก็รู้ได้ซึ่งไม่มีใครมีความสามารถเท่านี้อันนี้ข้อที่หนึ่งค่ะข้อต่อมานะคือเรื่องของความเป็น ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของมัคผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทางแก้ปัญหาเนี่ยพระเช้านี่ฉลาดมากเป็นผู้ออกแบบมัคแต่ว่าสาวกต่างๆเนี่ยเป็นผู้เดินตามเฉยๆเป็นผู้ออกแบบทําให้โปรโตไทป์ออกมาคือนั ก, นกประดิษฐ์เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนนั่นเขามีวางงานมันนักประดิษฐ์ใช่ไหมนักประดิษฐ์นี่เขจะต้องเป็นคนออกแบบทำโปรโตไทป์เทสแล้วก็เป็นคนคิดคนไหนพวกนี้เอามาหมดเลย เวลาเอามาใช้งานจริงๆเราแค่รู้การใช้เยอะตัวอย่างเช่นรถยนต์นะหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้ไหมว่ารถยนต์เนี่ยมันมีกระบวนการไอ้สันดาปภายในเนี่ยมันใช้อุณหภูมิกี่องศาเขาทํางานกันยังไง ร, ระบบลูกปืนระบบเกียร์ระบบส่งข้อมูลส่งกําลังใช้เฟืองกี่ตัวใช้ทําไมต้องมีในนั้นมีน้ํามันอยู่แล้วส่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ทําไมเฟืองมันต้องทํางานตรงนี้ก่อนแล้วมาตรงนั้นโอยเราไม่รู้เรื่องเลยนะเรา แ, แค่ขับเป็นอย่างเดียว ออคอมพิวเตอร์เอา้าเรารู้ไหมนะว่าระบบ ส, งสง่งผ่านเมมโมรี่เขาทํางานยังไงแล้วมันทํางานกี่บิตทําไมต้องมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะจอภาพมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงการทํางานของข้างในคอมพิวเตอร์เป็นยังไงเราไม่รู้เรื่องเลยนะ <Okay. S 2> พวกนี้ดีไซน mm. in, ์คอมพิวเตอร์เขาถึงจะทราบพวกนั้นดีไซน์นี่เขารู้จากข้างในออกมาข้างนอกเลย <S <S รู้ทุปรุโปร่งหมดนเ <Okay. S 2> สียตรงไหนเนี่ยมันรู้หมดเอาอย่างแค่ว่าเราหาหมอเป็นโรคอย่างเงี้ยเราปวดหัวอย่างเงี้ย อ, อาการปวดหัวนี่มันมีร้อยปโรคปวดหัวจากเชื้อแบคทีเรียก็มีปวดหัวจากเชื้อไวรัสก็มีปวดหัวจากมาเร็งก็มีปวดหัวจากไอที่เขาเป็นเลือดเส้นเลือดตีบในสมองก็มีเราไม่รู้หรอกหมอจะรู้เอ่าลักษณะนี้เป็นปริชาเนี่ยเป็นผู้ที่แหมเหมือนกับคนดีไซน์ของอะ่ะคนออกแบบอะแต่เรามาเป็นคนใช้เฉยๆต้องให้พระอาหารเอา้าวอาหารธรรมดานะแต่คุณก็เป็นคนใช้เฉยๆ คนที่ใช้มักเฉยเอ้ยไม่ต้อง <Okay. S 1> พระอานธรรมดาล่ะเอาพระสายดุลเลยนะพระสายบุตรก็ยังบอกว่าตัวท่านพระสายบุลเนี่ยก็แค่เดินตามมักเฉยนะมีอะไรมีอะไรก็จะไ ป, ไปถามาบูปุริชาตลอดเลยอย่างนี้นะเพราะนั้นความแตกต่างนี่มันโอ้โหยอย่างที่ว่านั่นแหละเหมือนกับดวงจันทร์เต็มดวงคืนดวงจันทร์เต็มดวงเต็มใบเลยนะเราเห็นโอ้โหสว่างมากแล้วก็เปรียบเทียมกับพระอานธรรมดานี่คือดวงดาวนะทั่ ว, ว <Okay. S 1> ไป กูตุชนนี่อยู่ใต้ดินนะคนที่พอจะมีอะไรบ้างแสงหิ่ยห้อยลักษณะนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> ความเป็นพระชานินเหนือชั้นมากอืม <c oughs> <ช>ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะนี่ก็เท่ากับว่าเราก็ได้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้นคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าท่านเหนือกว่พระอรหรันต์นะแต่เห็นว่าในเมื่อมีคาว่าอรหันต์เกาะเกี่ยวอยู่ด้วยเนี่ยจึง เป็นความรู้ที่หลายคนอาจสงสัยก็ได้นะคะว่าแล้วต่างกั น, นยังไงเหมือนกับที่ดิฉันเองก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมพระพุทโธเนี่ยถึงได้ทรงใช้วิธีที่จะรู้ลมหายใจหรือว่าอนาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจในการปฏิบัติเพื่อไปสู่การหลุดพ้นอีกวิธีหนึ่ง ถ้าติดตามจากพุทธวัจนะจำไม่ผิดก็คือเหมือนกับท่านเนี่ยใช้วิธีนี้มากด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเครื่องอยู่ของตาตาคดค่ะบางคนอาจจะสงสัยนเนี่ยทำไมต้องลมหายใจอืมค่ะเอ่อทำไมใช่ไหมค่ะทําไมต้องเป็นลมหายใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระทำก็ถ้าเรามาดูเหตุผลย้อนกลับเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณลองไปทําดูเลยก็ได้นั้นมันใครๆก็ทําได้จริงๆแต่พบว่าตั้งแต่เราเกิดมาออกจากท้องแม่คลอดโพลิออกมาเนี่ย มันต้องมีลมหายใจอยู่แล้วจกกนกระทั่งวันสุดท้ายตายลมหายใจเพลือกสุดท้ายคุณก็ตายเพราะฉะนั้นโอกาสในการปฏิบัติของเรามีได้ตลอดอแล้วก็สาเหตุที่พูดถึงเรื่องสุดนี้ขึ้นมาเนี่ยพูดถึงอนาปานสติเนี่ยก็เพราะว่าพระสงค์เนี่ยไปฆ่าตัวตายกันมากฆ่าตัวตายเพราะว่าต้องการเห็นอสุภัยเห็นความที่ไม่เศร้าเป็นความเศร้าหมองของกายเห็นความที่กลายเป็นของน่าเกลียดใช่ไหมเจนตรงนี้ก็เลยฆ่าตัวตายบ้างให้คุณหน่ฆ่าบ้างอย่างเงี้ยนะคะ พอมีพระสงฆ์ฆ่าตัวตายเป็นจํานวนมากเนี่ยพระเจ้าก็เลยให้อุบายใหม่ในะฐานที่จะให้เห็นความเป็นของนาเกศอสุภะอสุภัง อ, อะไรพวกนี้ก็เลยให้อุบายเรื่องของอานาปานาสตินะนาะแวกแนวไปเลยนะพูดถึงเรื่องอนาปานาสติเลยทําให้เราเป็นรูดี้มาว่าอ๋อพระองค์ก็ใช้เหมือนกันอ๋อเหรอคะแสดงว่าวิธีที่พิจารณาความไม่งามของกายอสุภะซาบเชิกอะไรทั้งหลายเนี่ยมีมาก่อน อ, อานาปานาสติเหรอคะเอ่อหมายถึงว่าได้บอกสอนไว้ก่อน แต่ว่าพระพุธองอาจจะทําวิธีอานาปาในมาก่อนแล้วก็ได้ใช่ใช่ อ, อ, อคือบทพิธีชนะที่พระเจ้าบอกเนี่ยก็จะไล่คืออย่างพูดถึงสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็มีส่วนที่เป็นอนาปัญสติก็มีมีส่วนที่เป็นเห็นสราสน่างศพแรงต่างๆนี้ก็มีใช่ไหมที น, นี้พอภิกษุเลือกปฏิบัติตรงส่วนเห็นสร่างศพเนี่ยพระเจ้าก็เลยมาเน้นเฉพาะอนาปัญสติอีกครั้งหนึ่งในตรงส่วนตรงนี้ก็ลเลยเป็นที่มาของอนาปัญสติสูตรค่ะ แล้วก็บอกรายละเอียดถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เองก็ทำนะอย่างนี้อืมนี่คือสองเหตุผลใหญ่ๆเลยว่าทําไมต้องลมหายใจแมันง่ายที่สุดด้วยหรือคะออมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ตลอดเวล า, า, ลวลาคือสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้ไงคุณยมติวค่ะคือแทนที่เราจะไประลึกถึงสะดือระลึกถึงหัวขา่าวนึกถึงศอกอย่างเงี้ยบางทีเราจะดา่าคนอื่นใช่ไหมเอะนึกถึงไส่ลําไส้เล็กนึกไม่ออกแล้วลําไส้เล็กมันอยู่ข้างในค่ะหรือบางทีเราจ ะ, จะ ทำให้ดีอย่างเงี้ยเอ้ยเราจะให้จิตของเรามาหนีออกจากสิ่งนั้นเรามาเปนึกถึงลําไส้ใหญ่อย่างเงี้ยบางทีมันก็นึกไม่ออกมันอยู่ข้างในเอานี้เราหมายใจง่ายที่สุดเพราะมันมันเราเห็นได้เราจับต้องได้เราเรารู้อยู่ตลอดเวลาค่ะอืมเราก็ทัาบที่มาของวิธีการปฏิบัติที่รายการนี้ก็เอามาใช้รับสนับสนุนให้ใช้และมีการนําการปฏิบัติตั้งแต่ช่วงต้นโดยท่านหมามด้วยะคะ่ะเอ่อรายละเอียดตรงเรื่องของอนาปานสติเนี่ยแต่เาต้องการให้ ให้ผู้ฟังเน้นย้ำไปด้วยนะว่าเราเราไม่ต้องบังคับนะที่พระเจ้าพูดให้เห็นว่าลมหายใจเข้ายาวลมไม่ใชจออกยาวเนี่ยที่ต้องมีบรรทัดนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าให้เราแต่งลมหายใจให้สั้นให้ยาวนะไม่ใช่นะแต่หมายความว่าคือเราไม่ต้องบังคับลมให้สั้นหรือให้ยาวแต่หมายความว่าเราเนี่ยลมหายใจไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวเนี่ยเราก็รู้ลมได้อาจจะเปคนวิ่งเนี่ยลมหายใจสั้นใช่ไหมคุณก็รู้ลมได้บางคนเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆลมหายใจยาวคุณก็รู้ลมได้ โดยไม่ต้องบังคับคนเป็นหวัดลมหายใจอู้อี้อย่างท่านขอประท่านโทษก็ตอนนี้หายใจสะดวกเหมือนกหายใจต่างกเอาอย่างเงี้ยรู้ลมได้ไงก็ได้ก็รู้ลมได้เพราะว่าเรารู้การหายใจไงรู้ชาบพูดถึงการหายใจตรงนี้นะอานาปานสติค่ะเนี่ยให้รู้ว่าที่ไปที่มาอย่างไรแล้วก็ยังบอกเทคนิคด้วยอืมใช่ซึ่งตรงนี้ที่ท่านท่านมาร์กได้พาปฏิบัติตั้งแต่ตอนต้นรายการ มำไมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็ควรจะทําไปด้วยตลอดเวลาเป็นการบูชาพระริชาด้วยทําให้ทําไม่ได้ก็ยังฝืนําไปฝืนทาไปนะทําให้ถูกทํายังไงทําไปก่อนนะค่อยเห็นแง่มุมแล้วก็ค่อยปรับให้ถูกขึ้นได้อืนะคะยิ่งยิ่งทําบ่อยพัฒนาการจะยิ่งเกิดไหคะใช่เอามันทําซ้ําทําย้ําไปเนี่ยเด็กเวลาเขาจะฝึกขับขับจักรยานใช่ไหม เด็กบางคนก็เร็วช้าแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ยังไงทุกคนต้องไปขับจกักรยานคุณจะว่ายน้ำเป็นคุณต้องโดดลงน้ําำอ่านไม่บุญคะคือตอนที่ดิฉันพยายามอธิบายเพื่อนเนี่ยนั่นก็มีความรู้สึกว่าเออเราจะพูดยังไงนะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดิฉันไปเรียกท่านเพื่อนก็ไม่ถูกแล้วนะคะเป็นเพื่อนที่เคารพตลอด<ๆ>ก็ก็พยายามยกเรื่องของคันห้า บกวเพื่อจะกําจัดขันที่มันเป็นมันเป็นอะไรคะเป็นกองแห่งความทุกข์ถูกไหมจ๊ะเป็นเอ่าใช่แล้วมีอยู่กับเราห้ากองเนี่ยให้มันออกไปให้มากที่สุดอืแต่มันก็ต้องอาศัยขันที่เหลืออยู่อันนี้ดีฉันพูดตามพระอาจารย์สอนนะคะอืมอ่อพูดแบบเนี้ยมันเหมาะไหมกับการอธิบายท่านทั้งหลายหรือว่ามันเหมาะสําหรับจะอธิบายคนประเภทไหน คือถ้าเขาเข้าใจมันก็เหมาะแน่ละแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็จะไม่เหมาะนะคืแออต่เราก็ไม่ทราบว่าเขาจะเข้าใจไหมถ้าเขาเข้าใจก็ดีละ่ะคืออยากกลับเรียนถามท่านว่าสําหรับคนใหม่ๆคะ่ะที่อาจจะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะโดยตรงอย่างเงี้ยอ่าในความเข้าใจของดิฉันนะคะอืดิฉันว่าคนที่ต้องการเหตุต้องการผลเนี่ยวิธีการอธิบายแบบกําจัดกองของความทุกข์ค่อยๆกาจัดทีละส่วนเนี่ยอืมหน่าที่จะ โดนใจเขาแล้วทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลออืมืมมก็<อ>เปปนไปได้ ท, ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยฟังนะ่ยอยากให้พระอาจารย์พูดค่ะดิฉันไอ้จะพูดเองคื อ, ค, อคือสำหรับคนที่รู้มากเรียนมากมีความจําดีเนี่ยนะคือถ้ายิ่งให้เขารู้มากบางทีมันทําให้เขาฟุ้งซ่านนะอ๋อหรอคะคือตัวตัวเราเองเป็นมาก่อนเอคือหมายความว่าถ้าเรารู้มากศึกษา ม, มากเนี่ยทิ่เราฟุ้งช่านละ เอ้ันนี้มันเป็นชานนั้นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าอั น, นี้มันนิวรณ์ไหมเอ้ยแว่านี้ฉันมีความเพลินหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นสติหรือเป็นกายหรือเป็นเวทนาล่ะโอ้โหเป็นไปนน่นแล้วคนละเรื่องแล้วนะอะอันนี้มันคือจิตคุณฟุ้งซ่านไปไงคือเนื่องจากเราเรารู้มากใช่ไหมทําให้จิตของเราเนี่ยมีที่ก้าวลงมากิที่ก้าวลงตรงนู้นที่ก้าวลงนี้แล้วไอ้ที่เราก้าวลงไปก้าวลงไปเนี่ยมันออกนอกกรอบของจิตที่เราจะสงบได้ความสงบที่จิตจะเป็นหนึ่งได้มันออกนอกกรอบละ เราต้องค่อยตีตะล่อมเรื่องที่มันจะออกไปนี้เข้ามาให้มันรวมอยู่ในอย่างนั้นอยู่ในกรอบที่จะทําให้จิตของเราสงบได้แค่นั้นงดังนั้นอืดังนั้นท่านเลยจะไม่อธิบายเหรอคะ <c oughs> ดังนั้นเราจะมาจึงจะเอาให้เกณฑ์กันเกณฑ์ในการที่เราจะจะทราบข้อมูลตรงนี้เกณฑ์ก็คือว่าจิตของเราสงบทําด้วยวิธีไหนก็ได้ให้จิตสงบให้ได้ <c oughs> นะไม่ว่าคุณจะเห็นขัน่าหรอโอเคทําได้ทดําเด็ถ้าคุณจิตสงบได้หรือคุณเห็นสัญญาณหกดี เอาเลยเอาเลยถ้าจิตคุณสงบเอาวิธีนั้นเอาหรือว่าเอาอสุภะได้ได้ถ้าจิตคุณสงบเอาเลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นอนาปนาณสติได้ไหมแล้วถ้าจิตคุณสงบเอาสินึกออกไหมนี่คือเกณฑ์ในการวัดจิตต้องสงบอันนี้ผู้เชี่ยวเคยเปรียบกับพ่อครัวไงพ่อครัวที่ปรุงอาหารนะคุณยมเติยวเขาต้องรู้จักรสชาติของไอ้เจ้าเครื่องปรุงทุกชนิดเขาถึงจะปรุงอาหารอร่อยได้เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักสภาวะจิตของเรานะว่าจะใช้ไอ้การการทําแบบไหนแค่นั้นเอง แล้วก็เพื่อที่จะแบบให้มันมาสอดคล้องกับตรงนี้ะนะในเรื่องของพุทธรวรรณะอย่างพอมีเวลาไหมคิดว่ามีเวลาอยู่นะค่ะพอมีเวลาอีกสองนาทีก็จะเป็นเรื่องที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนคือตรงนี้พอพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจักรแลใช่ไหมก็มีนักวิชาการหลายท่านก็ลงความเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยหลังจากวัน วันนั้นก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาวัดทั้งจากวันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นเข้าพรรษานะก็เลยมีความหมายก็ว่าเออมุสลิมจำพรรษาที่ที่ป่าอิสิ ป, ปตนะนั้นแหะเป็นพรรษาแรกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลว่าเอ๊ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการประกาศการเจ้าจำพรรษาใช่ไหมฮ ะ, ะยังไม่ได้มีเหตุที่ว่ามุสลิาจะต้องไม่เดินทางอะไรต่างๆแต่ว่าอาศัยเหตุอะไรในการที่อยู่ตรงนั้นไม่ได้เดินทางไปไหนก็คือการที่ได้สอนคนอีก ถึงยีเอ่อถึงสิบรูปนะบวชพระนี่อีก60รูปตรงนั้นนะรวมพระองค์เองเป็น61สิบเอ็รูปเนี่ยที่เป็นพาาระอรหันต์หมดเพราะฉะนั้นในการสอนคนทั้งหมด60รูปเนี่ยอาจจะใช้เวลาอยู่บ้างนาจะเป็นเดือนหลายหลายอาทิตย์เนี่ยหลายอาทิตย์แน่ล่ะถึงจะเจอพวกยศกุลบุตรเพื่อนของยศกุลบุตรอะไรต่างๆนะบอกสอนก็คงต้องเป็นหลายสัปดาห์อยู่ แล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สนใจนะข้อที่สนใจที่พุทเจ้าบอกว่าพวกเธอจงจาริกไปเหนะือเพื่อประโยชน์สุขแก่มรชาชนเพื่อเอ็นดูโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกัน2รูปเหนะือจนแสดงทําให้ไพร่ในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะืสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ แม้เราเองก็จะไปสู่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเป็นที่มาทําให้เราได้เห็นได้ฟังธรรมะอยู่ณะวินาทีนี้ก็เพราะมีวินาที น, น้ด น, นี่คือเรื่องของพุทธประวัติตรงนี้เออน่าสนใจอีกตรงหนึ่งคือพระย่าไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยนะหลังจากที่ได้ไปหาบรญจารวกีแล้วที่ป่าอิสิปตนมรดกไยวันวนะั่นแหะมึนปรัชยะอะไรที่สําคัญอยู่ข้างหลังไหมคะกับการที่ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปอีก ก็คือว่าแค่ไปหาพระจักว่าคีและจบเลิกเลยค่ะแล้วที่นั่นก็ก็ไม่ได้เทศสอนอะไรมากก็ไปหัวเมืองอื่นที่เขามีความศรัทธากันมากอยู่อ๋อค่ะแต่ก็ถึงจะไปเพียงแค่นั้นป่าอิสิ ป, ปัตนะมารุกขายาวันก็แม่คล้องปากขึ้นใจพูดที่เป็นพุทธศาสนิกชนเลยนะคะอืมใช่เนอะก็ดูเหมือนกับว่า เราคงจะต้องยกยอดเฟซสนทนาในสัปดาห์หน้าเลยนะคะนี่ใช่ใช่สำหรับรายการสัมมนีสนทนาเท่านั้นนะคะแต่ว่าสำหรับท่านไปบูลเนี่ยเสาร์อาทิตย์ท่านไม่ได้อยู่อย่างที่ท่านบอกค่ะวันพระก็ไม่มีวันหยุดก็ไม่มีเพราะว่าท่านขยันในการที่จะเผยแผ่ทพื่อจะไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทห่งประเทศไทยนะคะอติดตามรับฟังกันวันนี้ในมสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเจริญบานค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะ และถ้าหากจะปฏิบัติบูบชาดิฉันไม่ได้กลับเรียนถามท่านไิบูรณ์เอาไว้ทิ้งท้ายแต่เนื่องจากเราพูดถึงเรื่องของเจริญอาณาปานาสติกันดิฉันก็บอกว่าท่านมาร์กนี่ก็พูดมาตั้งแต่ตอนต้นของรายการแล้วเราก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะถวายการบูชาพุทธชยันตีพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติบูบบชาอันเป็นการบูชาที่สูงสุดนะคะสําหรับในการสัสนิสนทนาก็อยากจะบอกว่า การศึกษาคำสอนของพระศาสดาชนิดที่เข้าถึงพุทธวจนะเลยก็น่าที่จะเป็นการที่บูชาพระพุทโธอีกทางหนึง่งไม่มีตำราไม่เป็นไรขอเข้ามาที่ศ2 2 6 9 0 0งสนะคะพระจันคริสต์โสติพโลท่านมอบให้มาวันละสามท่านติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะวันนี้พุทธวัต ส, สวัสดีค่ะ